เมื่อวานทราบข่าวจากท่านชูธรรมว่มาน้องสาวของเท่าแก่ได้ลาจากโลกไปแล้วเหมนไปชมเพลิงกันเผากันเมื่อวานานี้นี่แหละชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายโยมก็มาทําบุญใส่บาตรทุกพรรษาที่ผ่านๆมาทั้งตระกูลทั้งพี่ทั้งน้องทั้งแม่วงสาคนา ญ, ญาติมาทําบุญตักบาตร ท, ทาบุญทําทานประจําปีแต่ปีนี้จากไปเสียแล้วเห็นกันแมปแมป พอหายไปแล้วก็งเงียบไปพวกที่อยู่ก็สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปพวกที่จากไปก็าจากไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงหลวงพ่ออินจะให้ทํำยังไงหลวงพ่ออินก็ไม่ให้ทําอะไรละมีแต่ว่าเอออย่าไปลุ่มหลงมัวเมาเกินไปนะการเจาะแสวงหาทรัพย์หรือว่าการสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮากับธรรมดาละคลายเครียดออก็พอประมาณแต่ถึงยังไงก็ให้คิดไว้ในใจอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง สิ่งที่มันช่วยชาติเสียหายข้าจะไม่ทําข้าพรเจ้าจะทําแต่คุณงามความดีสร้างแต่คุณงามความดีสั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจคือให้มีหลักเอาไว้ถ้าไม่ตั้งหลักอันนั้นเอาไว้ไม่มีหลักไว้ในใจมันจะสู้ทางกิเลสไม่ได้กิเลสความโลภ ก, กิเลสความโกรธกิเลสราคะโทสะมันจะมาลุมมาตุ้งเข้ามาตัวของเราตัวของเราจะเป๋ไป กว่าจะรู้ได้ทีนี้มันพอแรงล่ะชูคอไม่ขึ้นล่ะเพราะกิเลสมันกระชาก拉ถูไปผลที่สุดนั้นอ่ะกระทั่งชีวิตทั้งชีวิตไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยอันนี้ก็น่าเสียดายที่พวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนานะว่าเป็นผู้โชคดีนะถ้าจะว่าไปแล้วกว่าจะเกิดขึ้นมาได้กว่าจะได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาเหตุผลพูดอย่างนั้นได้ พุทธศาสนาเป็นศาสนาเหตุผลแต่ถ้าหากว่าศาสนาอื่นล่ะไม่ใช่ศาสนาเหตุผลเลยหลวงพ่อก็มีเหตุผลอยู่แต่เหตุผลคนละอย่างกันให้พวกเรานํามาวิเคราะห์ดูก็แล้วกันอันนี้พุทธศาสนาเนี่ยมีเหตุผลอย่างไรศาสนาอื่นเขามีเหตุผลอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุมีผลในตัวของกลุ่มนั้นๆวัตถุนั้นๆเรื่องนั้นๆยุคนั้นๆสมัยนั้นๆศาสนานั้นๆ เหมือนกันนั่นแหละแต่นี้พวกเรานับถือพระพุทธศาสนาพวกเราก็วิเคราะห์ไตรตรองเหตุและผลในทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีเหตุผลอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนพวกเราสอนโดยหลักเหตุผลไม่ใช่สอนให้เชื่อเฉยเฉต้องเชื่อนะถ้าเราพูดแล้วต้องเชื่อนะอย่างนั้นไม่มีอย่างพระพุทธองค์ได้ไปเทศในการามสูตรการามชนคนกลุ่มหนึ่งเป็นบ้านเมืองอยู่ในความเจริญอยู่ในเมืองเงียบสงบแต่อยู่ในหุบเขา แต่เป็นกลุ่มที่ได้รับการศึกษาดีได้รับการศึกษาดีคล้ายๆกับว่าเป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วในกลุ่มหนึ่งอย่างนั้นแหะต่นี้พระพุทธองค์ก็เข้าไปในชนกลุ่มนั้น<อ><อ>เข้าไปพระพุทธองค์ก็จะแสดงธรรมให้ฟังว่าทานมีคุณค่าอย่างนี้นะสินมีคุณค่าอย่างนี้นะสมาธิและปัญญามีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างนี้นะปัญญาของศาสนาของเราเนี่ยที่เราสอนปรัชญาหรือศาสนาของเราเนี่ย เราสอนให้ใช้ปัญญาอย่างนี้นะแล้วเรื่องการกระทํามก็นี่นะศีล น, นะศีลห้านะเรื่องทานก็คือการเสียสละนะแต่ใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาอย่างนี้นี่คือศาสนาของเราถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ก็ยอดเยี่ยมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมแต่ชนกลุ่มนั้นเขาก็ฟังเสร็จแล้วเขาก็กลับทูลถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาทุกศาสนาที่มาประกาศเผยแผ่ ในชุมชนของพวกข้าพระ อ, องค์ก็ต่างศาสนาเขาก็บวกวันศาสานาของข้าพเจ้าเนี่ดีที่สุดไม่มีศาสนาไหนที่จะเทียมเท่าศาสานาของพวกข้าพเจ้าเพราะฉนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องฟังต้องเชื่อต้องฟังต้องเชื่อข้าพเจ้าทั้งหมดไม่ต้องนับถือศาสนาอื่นใครจะมาประกาศก็ไม่ต้องนับถือเรื่มใส่ต่างคนก็ต่างแสดงออกอย่างนั้นเป็นส่วนมากมันเกือบว่าทุกศาสนาเลยก็ว่าได้ แต่จะให้ข่าพระองค์ทั้งหลายเลือกอยังไงจะให้นับถืออย่างไรในศาสนาในการวางตัวนี่เราพระพุทธเจ้าท่านก็พูดขึ้นมาสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาไม่ให้ใช้ความเชื่อเฉยเฉยอย่าไปเชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือได้อย่าไปเชื่อตามตำรับตำราอย่าไปเชื่อตามประเพณีที่นับถือนับเนื่องกันมานับเนื่องหรือถือกันมาอาจถือผิดก็ได้คนที่น่าเชื่อถือบางทีเขา เอากิเลสของตัวเองสอ น, ปนไปในทางกิเลสของตัวเองก็ได้มีหลายอย่างสรุปแล้วว่าพระพุทธเจ้าให้เชื่อให้กันกรองซะก่อนให้ไต่ตรองด้วยเหตุผลซะก่อนเอาหลักธรรมชาติเอาหลักกฎหมายเอาเอาหลักการอยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เอาหลักถูกต้องคือหลักเหตุผลแล้วหลักมันเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงในความคิดของแต่ละคนแต่ละท่าน อ, อย่างสอนให้ทานทําไมจึงสอนให้ทาน ถ้าบอกคนเราอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละพ่อแม่ก็อยู่กับลูกไม่ได้ลูกกับอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้หมูหมากาไก่อยู่กับเราก็ไม่ได้คนกับคนจับจับเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะกันก็ไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะคนไม่มีทานไม่มีน้ําใจต่อกันต่างคนก็เห็นกันแล้วก็เหมือนกับปลากัดอย่างนั้นนี่มันจะมาไม้ไหนว่ะพอนึกถึงก็เลยน่ะมนุษย์ก็อยู่ด้วยกันมาเน่ยเพราะไม่มีน้ําใจไม่มีการเสียสละไม่มีการเฉลือเผื่อแผ่กัน ไม่มีการแนะนําสั่งสอนกันถ้าจะแนะนําสั่งสอนก็ไม่มีน้ําใจจะจะแนะนําสั่งสอนเพราะกลัวเขาจะเนื้อกว่ากลัวเขาจะมีความสุขกว่าจะเสียสละให้แก่ใครเสียสละไม่ได้ผลที่สุดโลกทั้งโลกก็หาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะขาดการมีน้ําใจขาดการเสียสละคือทานอภัยนิทานก็ไม่มีวัตถุทานก็ไม่มีวิทยาทานก็ไม่มีธรรมทานก็ไม่มีที่จะแนะนําสั่งสอนทางจิตวิญญาณให้แนะนําไปในทางที่ถูกต้องก็ไม่มีฮะ ธรรมทานคือที่นําทางชีวิตคู่คนก็ไม่มีอย่างนี้ศีลคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษถ้าคนดูด้วยกันไม่มีกฎไม่มีระเบียบเป็นยังไงศีลของเรานะ่ยคืออะไรศีลห้านะพระพุทธองค์อธิบายอีกแล้ววิญญาณคือใจอะไรจิตใจของเรานะ่ะมันเป็นอย่างนี้อ ย, นอย่างนี้นะร่างกายเป็นนี้ใจเป็นนี้สมาธิต้องเป็นนี้ปัญญาต้องเป็นอย่างนี้ปัญญาวิมุตติญาณรัตชนะเนะ่ยเป็นอย่างนี้ความหลุดพ้นเป็นอย่างนี้ การที่จะหลุดพ้นไปได้เพราะอะไรต้องพิจารณาตามเห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรบ้างใจของเรามีอะไรบ้างนี่พระพุทธเจ้าแยกแยะด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละนิวรธรรมคําำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับทาระดับชาวบ้านคณะสัตยาติโยมธรรมาค้าขายกับระดับหนึ่งผู้เข้ามาอยู่ในผู้หมดภาระที่จะต้องศึกษาปฏิบัติก็ระดับหนึ่ง ถ้าระดับอยากจะพ้นทุกข์ในวัตะสงสารจะไม่มาขอเวียนไหวาตายเกิดอีละเป็นพระกรรมฐานอยู่ในป่าโรงพงไ์ไฟตั้งใจภาวนาเห็นอันิรจังทุกขังอนัตตาเพราเกิดมาพบหน้าชาตินก็เท่านี้ละ่ะก็คงจะไม่เหนือกว่านี้ขึ้นมาเลยก็เรียนหนังสือพอเรียนหนังสือก็ทําการทํางานต่อไปก็มีครอบมีครัวต่อไปก็มีลูกมีเต่าต่อไปก็มีตั้งวงสกุลขึ้นมาจากนั้นก็เท่าแก่ชราจากนั้นก็ลมหายตายจาก กันไปเกิดมาพบหน้าชาดหน้าก็คงจะเป็นอิรอบเก่านี่แหละถึงจะมั่งมีสีสุขก็อยู่ในระดับหนึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาก็อยู่ในระดับหนึ่งทํามาค้า ข, า, ขายก็อยู่ในระดับหนึ่งข้าราชการงานเมืองก็เป็นวัตถจักอยู่อย่างนี้อันไหนคือความสุขที่แท้จริงอันไหนควรจะหยุดได้ของมวลมนุษย์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านแนะนํำมาไว้ว่าปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะที่จะลัดวงจรที่จะไม่ให้โลกดึงดูดได้ที่จะออกจากโลกได้ ต้องปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เราต้องศึกษาทีนี่ศึกษาแล้วยังไม่แล้วยังปฏิบัติด้วยผลหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าศึกษาเฉยๆเหมือนกันเราดูแผนที่อย่างนั้นะถ้าเราดูแผนที่เราจะให้ถึงจุดหมายปลายทางเป็นไปไม่ได้มันนั่งจุกปุกอยู่ที่เก่าเลยเห็นแต่แผนที่น่ยไปนู่นไปนี่ยุโรปอยู่นั่นอเมริกาอยู่นี่แอฟริกาอยู่นั่นอินโดนีเซียอยู่นี่จีนอยู่นี่รัสเซียอยู่นี่ก็นั่งดูอยู่งั้นมันก็ไม่ไปถึงไหนแต่ถ้าว่าเราจะไปไหน จะไปประเทศไหนเราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางอันนั้นจะถึงจุดหมายปลายทางได้หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านยังบอกปริยัติคือการเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติก็คือลงมือปฏิบัติปฏิเวทก็คือถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราได้ปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีที่จะให้พวกเราได้ศึกษาการเป็นอยู่เบื้องต้นทํำยังไงการเป็นอยู่ในประเทศชาติ ควรจะเป็นยังไงอยู่ในชะกุลเป็นยังไงอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทํำยังไงอยู่กับครูบาอาจารย์เข้ามาบวชทํำยังไงล้วนแล้วจะเป็นกฎเป็นระเบียบของแต่ละกลุ่มแต่ละคณะล้วนแล้วจะมีเหตุผลของแต่ละกลุ่มแต่ละคณะเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกคณะสภาพัดที่มาพักหลวงพ่อตรงพ่อว่าให้ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องคําว่าสิ่งแวดล้อมคํานี้ เราท่านทั้งหลายก็คิดว่าอสิ่งแวดล้อมมันคงจะเป็นภูผาป่าไม้ต้นไม้ลำาธารกุฏิสาลามีแมกไม้มีสัตว์สาลาสิงที่มาเกี่ยวข้องอันนี้รวนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมสําหรับเราต้องปฏิบัติให้ถูกถ้าปฏิบัติไม่ถูกต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เราธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยจะทําร้ายเราเราจะหาความสุขไม่ได้อย่างถังปา่ามากๆเห็นไ้ย ฝนตกลงมากระถลม่มดินถล่มลงมาเพราะไม่มีต้นไม้ยึดอันนี้ก็ธรรมชาติไม่สมดุลแต่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยธรรมชาติใกล้เข้ามาอีกก็คือนี่แหละการอยู่การวางตัวกับชุมชนสังคมตัวนี้จะสําคัญกว่าสิ่งเหล่านั้นอีกแต่สิ่งเหล่านั้นก็สําคัญที่ว่านั่นก็คือธรรมชาติภายนอกต้นไม้ภูเขาถนนหนทางที่พักพายอาศัยอันนั้นก็สําคัญแต่ที่สําคัญเข้ากว่านั้นก็คือที่อยู่ใกล้เรา ทิศทั้งหที่รอบข้างเราเราปฏิบัติตนยังไงกับพ่อแม่เพราะพระเจ้าบอกทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเราควรปฏิบัติยังไงให้มันถูกต้องอย่าทําให้ท่านไม่สบายใจกับเราเพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรทํากิจธุระของท่านดํารงวงศ์สกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มดรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของลูกปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า ถาเราปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศเบื้องหน้านะั้นหาความสงบสุขไม่ได้นะชีวิตทั้งชีวิตนะทิศเบื้องหลังสามีภรรยาปฏิบัติให้ถูกนะสามีภรรยาเขาก็มีสิทธตสามีก็ต้องเคารพอย่าออกนอกลู่นอกทางภรรยาก็เหมือนกันอย่าออกนอกลู่นอกทางเออให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้ปฏิบัติทิศเบื้องหลังภรรยาสามีทิศเบื้องขวาอาจารย์ อาจารย์ก็คือเป็นผู้แนะนําสั่งสอนให้แก่เราตั้งแต่สอนอนุบาลปถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกและวก็นแนะนําสั่งสอนวิ ช, ชาอาชีพการธรรมาหาเลี้ยงชีพธรรมาค้าขายอันนี้ว่าจัดเป็นอาจารย์ทั้งหมดเป็นผู้แนะนําชีวิตของเราให้เดินไปในทางที่ถูกต้องอันนี้โดยอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายหมู่พวกเพื่อนก็จําเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีมิตรมีเพื่อนมีหมู่มีฝูง เราเกิดเราเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วเราไม่มีหมูมิตรพวกเพื่อนกิจการงานของเราจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีใครให้คำปรึกษาถ่ายทอดรับเป็นช่วงระบายสินค้าออกไปไม่มีหมูมีเพื่อนหมูเพื่อนไม่ดีอย่างนี้พอทําด้วยกันกับหักหลังกันบ้างโกงกันบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าได้เพื่อนไม่ดีแปลว่ากิจการในชาตินั้นะทั้งชาติแลว้วเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยไม่มีบริวาร ทิศเบื้องต่ำเบ่าวคือคนงานคนรับใช้เราเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกเราให้อาหารรางวัลเขาเรารู้จักดูแลเขาเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาทุกข์ยากเรื่องอะไรพอที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาก็เราก็ช่วยเขาเมื่อเราช่วยเขาเขาก็ต้องช่วยเราเมื่อเรามีน้ําใจต่อเขาเขาก็ต้องมีน้ําใจกับเราเมื่อเราแล้งน้ําใจกับเขาเขาก็แลกน้ําใจกับเราเนะพราะฉะนั้นบริษัทบริวารลูกน้องหรือจําเป็นจะต้องดูแลให้เป็นธรรมเฉลือเผือแผ่กันโดยเป็นให้เป็นธรรม น, นี่คือทิศเบื้องต่ำเบา่าทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ก็คือนักบวชอย่างหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกว่าสัมณพราหมณ์สมณพราหมณ์นี่ก็เมื่อได้รับกา ร, รอนุเคราะห์จากลูกศิษย์ลูกหาเสร็จแล้วก็เออแนะนําสั่งสอนถึงจะไม่ได้รับการแนะนําก็ต้องสั่งสอนเพราะงั้นเดี๋อย่าทําอย่างนั้นนะอย่าทําอย่างนี้เนะ อันนั้นเป็นบาปอันนั้นเป็นบุญอันนั้นเป็นคุณอันนั้นเป็นโทษนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่สู่นะตายแล้วเกิดอีกนะหลักพิสูจน์ต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือคือส ม, มณพรลาม์ที่อยู่เบื้องบนเป็นผู้แนะนําสั่งสอนจิตวิญญาณแนวความคิดของพวกเราที่จะไปสู่ปรโลกภายภาคหน้านี่แหละถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกในทิศ ท, ทั้ง6แล้วชีวิตทั้งชีวิตก็จเจริญราบรื่นไปได้ดีแต่พวกเราปฏิบัติไม่ถูกนะ ความจีบหายอยู่แค่เอื้อมทีเดียวไปทะเลาะกับพ่อขับแม่เท่านั้นละ่ะพ่อแม่ไม่เห็นด้วยและการกระทําของลูกแข็งกล้าวเกินไปเอาใจใจตัวเกินไปแต่ไม่มีการยืดหยุนไม่รู้จักพักคุณของบิดามารดาอย่างนี้ถึงเราจะเลี่ยงไปต่อไปภายภาคหน้ากระเท่านั้นะไม่เกิดประโยชน์มีแต่ให้โทษไล่มันออกจากบ้านซะอย่าให้มาเหยียดหน้าเห็นตาอีกเราจะทํำยังไงอันนั้นหละทุกข์ที่จุดเลยเนี่ยเพราะพ่อแม่กับลูกไม่เข้ากันสามีภรรยาก็เหมือนกัน ภรยากออกไปแบบหนึ่งสามีก็ออกไปแบบหนึ่งเปคนละทิศละทางเมื่อปฏิบัติไม่ถูกแล้วเป็นยังไงครอบครัวนั้นหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้และครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเมื่อเราได้รับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์สิ่งไหนที่ท่านยังไม่สอนให้เราเราก็พยายามเข้าไปท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านรู้จักคู่คนมากท่านก็จะต้องแนะนําสั่งสอนเราเราก็จะได้ความรู้ความฉลาดสิ่งที่มันมีอยู่ท่านก็จะได้สอนให้เราอย่างเต็มที่ด้วยความเมตตาของท่าน กิจการงานของเราก่อนจะรุ่งโรจน์ไปได้เพราะมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่มิตรสหายก็เช่นเดียวกันแมบาไพ่ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราก็เหมือนกันถ้าเรามีน้ําใจต่อเขาก็มีน้ําใจกับเราสมณะพรามก็เหมือนกันนี่แหละปฏิบัติให้ถูกต้องทางพวกเราปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้แล้วความสงบความผาสุกก็จะเกิดขึ้นในการเป็นอยู่ของพวกเรา ชีวิตทั้งชีวิตก็จะราบรื่นและก็พร้อมกันกถึงชีวิตจะราบรื่นในพบนิชชาตินี้ก็เถอะนะแต่ก็อย่าลืมจะราบรื่นขนาดไหนก็ถึงจุดจบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนได้เผากันทั้งที่มาวัดมาวามาทําบุญทําทานทุกปีที่ผ่านมาก็เพื่งมมาประชุมเพลิงกันเมื่อวานนี่แหละชีวิตของทั้งชีวิตไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ถึงจะไปอยู่หอกตอกห้วยราวเขาดินฟ้าอากาศขึ้นไปอยู่ขี่ยานอวากาศพระทิตพระจันทร์ตรงไหนก็เถอะ ไม่พ้นมรณะภยัยมรณะภัยตัวนี้ตามไปถึงหมดกระชากชีวิตทั้งชีวิตของคู่คนที่เกิดมาแล้วกระจุยกระจายไปด้วยกันทุกคนไม่ว่าระดับไหนพระพุทธเจ้าเป็นเยมภูรู้แจ้งโลกเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่พ้นจากมรณะภยัยไม่พูดถึงท่านอื่นๆที่เป็นจักรพัทธ์พญาจักรพัทธ์ใหญ่โตขนาดไหน พญามัจ JOR าชกระชากชีวิตทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตทั้งชีวิตถึงพญามัจ JOR าชจะกระชากไปก็จริงแต่เราก็ให้มีสมบัติติดมือไปด้วยคือบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราไปด้วยในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะพระพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์ท่านพิสูจน์ท่านไปทำสมาธิพิสูจน์ดูแล้วเหมือนกับท่านพิสูจน์วิทยาศาสตร์อย่างนั้น ท่านได้มาตรัสมาบอกมากล่าวพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะออกตนญาติโยมลูกหลานทุกคนเกิดมาทั้งทีชีวิตอย่าได้ประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ชีวิตนี่ก็อย่างที่ว่านั่นแนหะแต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่เราจะไปท้อแท้อ่อนแอไม่ได้ต้องสู้ชีวิตต้องสู้ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพต้องมันขยันอดทนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่ว่านั่นนะชีวิตทั้งชีวิตก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรือง แล้วก็พร้อมกันกับสะแสวงหาธรรมเข้าสู่จิตใจด้วยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะสรุปแล้วก็คือทุกด้านให้หมุนรอบตัวทุกด้านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันกินเหล้าเมายาเป็นวันๆเสเพนเป็นวันๆไม่ได้คิดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันของตนเองอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทนะพราะทางพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนา ไปมาพบทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วค่อยนําไปคิดไข้ควรไตรตรองด้วยเหตุและผลหลวงพ่อเองไม่ใช่คําพูดหลวงพ่อได้หลงพ่อพูดหลวงพ่อจะได้คําพูดมาจากไหนในศึกษาได้ฟังทำได้เราก็ได้ปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ไม่ให้เชื่อทีเดียวอีกต่างหาก อย่างกาลามชนกาลามสูตรนะนะต้องนำไปคิดไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งว่าที่หลวงพ่อพูดออกมานั่นอ่ะที่นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อตามตำรับตำราอย่าไปเชื่อที่บุคคลที่ควรเชื่อถือได้หลวงพ่อคงจะเอาตำรับตำลามาพูดมั่งเราจะไปเชื่อได้ยังไงเอาเรากันกรองดูก่อนแล้วก็ต้องมาทบทวนกันกรองไตรตรองเหตุผลอีกใช่ไหมที่หลวงพ่อปฏิบัติ ไม่ถูกต่อทิศทั้งหกนะั้นเดือดร้อนทดลองไปดูก็ได้อย่างนั้นเไปทะเลาะกับลูกน้องดูก็ได้เป็นยังไงไปทะเลาะกับสามีภรรยาดูก็ได้เป็นยังไงไปทะเลาะกับพ่อแม่ดูก็ได้เป็นยังไงแล้วจะออกมายัางไงมันมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างไรเราจะรู้ได้ผลมันออกมาแล้วจะยอมรับโดยนายแต่จะไปลองเถอะนะให้คิดดูก็แล้วกันน่ะสิ่งไหนที่มันพิจรารณ า, นานดูด้วยเหตุผลแล้วเราไม่ใช่ว่า จะโง่ถึงขนาดนั้นเออไฟเนะี่ยทุจริกับเขาเปาไฟอะไรก็พอแล้วมันร้อนนะเออเราก็รู้เออมันร้อนนะอย่าอย่าไปกระโดดเข้ากองไฟซะก่อนอยังออกมาโอ้ไฟร้อนจริ ง, รงๆอย่าไปถึงขนาดนั้นนะถ้าถึงขนาดนั้นแล้วเขาก็วางโง่จนเกินไปอีกแล้นะถูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแนละ้วโง่จนเกินไปจนทดลองดูซะก่อนจะค่อยรู้ว่ามันเป็นอันตรายเพราะนั้นอย่าให้ถึงขนาดนั้นน ะ, ะต่อนนี้ไปรับพรอนโมทนาให้พร